ทำบุญใหญ่ร่วมกันด้วยใจแบบไหนก็จะอยู่กันต่อไปด้วยใจแบบนั้นทำบุญใหญ่ร่วมกันรู้สึกได้จากการมีสุขร่วมกันจากการขาวร่วมกันผ่องแผ่ร่วมกันอันนี้เป็นกฎตายตัวเลยทำบุญใหญ่ร่วมกันด้วยใจแบบไหนก็จะอยู่ด้วยกันต่อไปด้วยใจแบบนั้นแต่ถ้าทำบุญใหญ่ร่วมกัน หงุดหงิดใส่กันง่ายก็จะหงุดหงิดง่ายใส่กันต่อไปทะเลาะด้วยเรื่องเล็กก็จะมีเรื่องเล็กให้ทะเลาะกันต่อไปน้อยใจแล้วเก็บกดก็จะเก็บกดความน้อยใจกันต่อไปถ้ามีเวรต่อกันมาบ้างนี่คือโอกาสรีเซ็ตกรรมอย่าอธิษฐานตอนท้ายงานขออยู่ด้วยกันดีๆขอเจอกันทุกชาติการอธิษฐานแบบนั้นช้าเกินไป ให้อธิษฐานขออย่าทะเลาะอย่าขัดใจอย่าหงุดหงิดใส่กันตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านขัดใจแล้วล้างใจไม่ถือสาก็จะขัดใจแล้วล้างใจไม่ถือสาต่อไปสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันก็จะมีกระจยสมัรสมานสามัคคีกันต่อไปไม่ว่าจะในฐานะคนรักหรือคนในครอบครัวจะรู้สึกได้ด้วยใจว่าสำเร็จจริงบุญใหญ่ ช่วยให้เป็นสุขด้วยกันมากแล้วรู้สึกว่าจะเป็นสุขด้วยกันนาน